เมื่อก่อนตอนเด็กๆนะชอบนั่งสมาธิหัดมันไม่ยากเลยตอนเด็กๆไม่คิดมากไปเรียนจากท่านพลีท่านก็สอนหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองนับไปถึงสิบนะแล้วก็เก้าแปดเจ็ดหกห้าพ่อเป็นเด็กเลขเจ็ดขวบนับเลขถอยหลังนะแล้วเราเครียด ก็เลยไม่เอานับถึงสิบแล้วก็ต่อสิบเอ็ดสิบสองไปนับถึงร้อยแล้วเริ่มหนึ่งใหม่มีการแอปพลายด้วยนะ <c oughs> อ, นอยู่ไม่กี่วันนะค <c oughs> ระูบาอาจรย์บอกให้ทําก็ทำํำมาเลยไม่ได้คิดว่าทําทแล้วมันจะได้อะไร <c oughs> เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้แหละเพราะเราเล็กจนกระทั่งชินไม่เป็นไว่จะนั่งไปทําอะไรท่านให้ภาวนาก็ภาวนาทุกวันทุกวันทํ า, นทานในเวลาไม่กี่วันนะลมวัดละเอียดละเอียดขึ้น ลมหายไปเห็นแสงเห็นแสงหน้าใจมันไม่ตั้งมั่นไม่รู้หลักของการปฏิบัติใจมันตามแสงไปคราวนี้มันอยากจะไปดูไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรนะั้นก็ไปนะใจมันออกไปถามันออกไหมจิตออกไปจริงไหมออกไปจริงแต่ไปเห็นจริงหรือเปล่าไม่รู้นะจิตอาจจะหลอนก็ไดนะ้แต่ที่แน่ๆคือจิตออกนอกแน่อนอน นี่พอทำสมาธิไปช่วงหนึ่งนะรู้สึกไม่ดีออกไปเที่ยวข้างนอกไม่ดีถ้าไปเจอผีเนี่ยเรากลัวผีไปเจอเทวดาไม่กลัวนะความจริงคนโบราณเรียกเทวดาว่าผีเหมือนกันนะเป็นผีฟ้าผีอะไรเพราใจมันจะเคลิมจำได้นะจิต ท, ที่ออกไปรู้ไปเห็นข้างนอกเนี่ยจิตมันต้องเคลื่อนเคลื่อนออกไปเงั้นพอจิตมันเริ่มรวมมันจะเคลื่อนออกไปนะถ้าหายใจแรงขึ้นหน่อย ไม่รู้หรอกว่ามันคือการเพิ่มสติขึ้นทำแบบเด็กๆนะอินโนเซน์มากเลยก็โตขึ้นมานะหัดเต้นสมาธิไปเรืเอ่อยโตขึ้นมามากกว่านั้ น, นอ่านหนังสือเว้ยมีเข้าชานมีอภิญญามีเลยนะเอาบ้างต้องฝึกให้มีอภิญญาเผื่อหายตัวได้อะไรอย่างงี้นนะคร <c oughs> าวนี้นั่งยังไงจิตไม่สงบเลยไม่เหมือนตอนเล็กๆ แต่เล็ก ๆ, ๆนั่งแล้วสงบนั่งปุ๊บก็สงบพอจิตมันมีความโลภม็นนั่งโดยมีวัตถุประสงค์แฝงเร้นก็ทั้งอยากสงบนะจิตยังไม่สงบเลยเนี่ยอย่าว่าแต่อยากมีฤทธิ์เลยอยากมีฤทธิ์ไม่สงบแน่นอนแค่อยากสงบก็ไม่ยอมสงบลนะต้องนั่งเล่นๆเนี่ยต่อมาก็จับเคล็ดได้โอ้ทําสมาธิต้องทําสบายๆทาเล่นๆเ น, นี่ยนึกจะทําก็ทํา เข้าง่ายกว่าออกนะสมาธิใจเราสบายรวมปุ๊บก็รวมแต่ตอนออกต้อค่อยๆอ อ, ออกออกรวดเร็ว น, นะอย่าปวดหัวใจมันยังอยากพักอยู่เรื่องของสมาธิถ้าเราฝึกไปมากๆนัได้ความชํานาญเรียกว่าวาสีความชํานาญของสมาธิจะดูว่าใครชํานาญสมาธิจริงหรือเปล่าดูว่ามีวสีสี่อย่างไหม อันหนึ่งชำนาญในการเข้านึกจะเข้าก็าเข้าได้เลยใช้เวลานิดเดียวที่สองชำนาญในการทรงอยู่อยากทรงอยู่ก็ทรงทรงนานอย่างไรก็ตามใจแต่ยังไงก็ไม่เกินเจดวันชำนาญอันที่สคือการชนานาญในการเจริญปัญญาในฌานในสมาธิทายากคนที่เจริญปัญญาในฌานได้ต้องมีองค์ประกอบสองอย่าง หนึ่งชำนาญในฌานจริงๆเข้าสองชํานาญในการดูจิตถ้าเก่งในการดูไกายไปเจริญปัญญาในฌานไม่ได้ไม่มีกายให้ดูเขาไปดูองค์ฌานเกิดดับเพานั้นนาญในการเข้าในการทรงอยู่ในการเจริญปัญญาชํานาญในการออกในวัตถสีสีข้อข้อไหนยากที่สุดชํานาญในการออกเป็นเรียงลําดับของมันเลยนะชํานาญในการออกยาก ตอนจะออกเนี่ยบางทีจิตมันยังไม่อยากออกแต่จะออกอะ่ะนี่แต่ที่พวกเราจะเรียนนะเราเรียนไม่ถึงตรงนี้เราจะเรียนไม่ถึงฌานไม่จำเป็นเราจะเรียนสมาธิอย่างหนึ่งสมาธินั้นมันมีความสงบสามระดับระดับของฌานนะอันนี้ต้องเข้าฌานจริงๆเลยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งจริงๆระดับรองลงมาเป็นอุปจารสมาธินะ วิจารสมาธิไม่ใช่อย่างที่คนทั่วๆไปพูดอย่างนั้นไม่ใช่หรอกที่นั่งแล้วก็เคลื่มไปเคลื่มมาบออุปจาระไอ้นั่นขาดสติอย่างจิตจะได้อุปจาระนะั้นอย่างถ้าเราทําอานาปนาสตินะตรงที่เราได้ปฏิภาคนิมิตเราเล่นกัแสงได้กําหนดแสงให้กว้างออกไปไงก็ได้นะให้ย่อลงมาเหลือจุดนิดเดียวก็ได้เล่นได้ตามใจเล่นกับปฏิภาคได้ดนี่ได้อุปจาระนะ ส่วนไนนั่งอย่างเงี้ยมนวันนี้ได้อุปจาระไม่ใช่ไม่ใช่เลยตรงนี้ก็ยังยากตรงนี้ก็ยังยากสิ่งที่จำเป็นที่พวกเราจะต้องเรียนคือสมาธิอันที่สามเรียกว่าคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิชั่วขณนะสมาธิชั่วขณนะแค่มีสมาธิชั่วขณนะ ก็เจริญปัญญาเจริญวิปัสนาได้แล้วส่วนะสมาธิที่ลึกกว่านั้นเอาไว้พักผ่อนนะส่วนจะชำนาญถึงขนาดไปเดินปัญญาในฌานนี่มีไม่กี่คนนะในยุคเราทำได้ไม่กี่คนเข้าฌานยังไม่ค่อยจะได้กันเลยนะพวกเราใครได้ฌานบ้างยกมือซิมีไหมแต่ถ้า เป็นกรรมฐานบางอย่างนะเข้าอัปปนานะแต่ไม่ผ่านปฏิภาคก็มีนะเพราะพวกอัปปมัญญาพรมิหารเนะี่ยไม่มีปฏิภาคไม่มีแสงนะจิตมจะทรงตัวอยู่มันยังไม่กระจายออกไปนนี้กาสมาธิง่ายที่สุดและสำคัญที่สุดเป็นสิ่งที่พวกเราทำได้คนธรรมดานี่แหละทำได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาธิลึกไม่ต้องเห็นโน้นเห็นนี้ค น, นิการสมาธิคือสมาธิชั่วขณะเมื่อเช้าบอกแล้วว่าวิธีให้เกิดสมาธินะให้รู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ไหลไปทันทีที่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปสมาธิชั่วขณะก็เกิดขึ้นแล้วตรงที่เรารู้ทันว่าหลงไปคิดนะจิตที่จะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะรู้ตัวขึ้นชั่วขณะ อยู่กันเนื้กับตัวได้ชั่วขณะไม่ได้เจตปนาเป็นเองงั้นเราฝึกทุกวันทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่หนีไปจิตที่เคลื่อนไปจิตที่ไหลไปให้รู้เฉยๆไม่ห้ามถ้าห้ามเคลื่อนนะจะเครียดให้รู้ว่ามันเคลื่อนทันทีที่รู้ว่าเคลื่อนการเคลื่อนก็ดับสมาธิก็เกิดแต่จะเป็นคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะ เราอย่าดูถูกคณิกาสมาธิคณิกาสมาธิถ้าเกิดบ่อยๆนะจิตมันจะส่งตัวเด่นดวงอยู่ได้เป็นวันๆเลยแต่ความจริงมันไม่ได้ส่งตัวเป็เพียงแต่ว่ามันรู้สึกรู้สึกรู้สึกความรู้สึกมันทีจนกระทั่งมันเหมือนต่อเนื่องจริจริงมันไม่ได้ต่อเนื่องมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเมืันเหมือนเรามีดินสออยู่อันหนึ่งมีกระดาษยาวๆนะเราขีดดินสอขีดเส้นขีดเส้นยาวๆสีดำดำ แล้วเราเอาแว่นไปส่องเอากล้องไปส่องดูเราจะพบว่าเส้นจริงๆไม่มีหรอกมันเป็นจุด ๆ, ๆต่อๆกันเป็นจุดต่อกันจุดเล็กๆเนี่ยต่อๆๆพอจุดนี้ต่อกันอย่างทีๆนะมันเกิดเป็นภาพลวงตาว่าเส้นนั้นเกิดขึ้นมีเส้นขึ้นมาสมาธินี้ก็เหมือนกันจะทําทีละจุดเดยวทีละขณะทีละขณะทีละจุดเดียวจุดเดียวแต่พอมันเกิดบ่อยนะมันเหมือนเราทรงสมาธิอยู่ได้ทั้งวันเลย นะลักษณะอย่างเดียวกันงั้นหน้าที่ต้องฝึกทุกวันต้องซ้อมทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่หลงไปจิตที่ไหลไปจิตที่เคลื่อนไปเช่นหายใจเข้าหายใจออกจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจเข้าหายใจออกจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันจิตไปอยู่กับลมหายใจก็ถือว่าจิตเคลื่อนเหมือนกันบางคนฝึกอย่างหลวงพ่อเทียนขยับมือ จิตนีไปคิดก็รู้ทันจิตนี้ไปคิดนี่ก็จิตเคลื่อนไปแล้วจิตไหลไปอยู่ในมือไปเพ่งนิ่งอยู่ที่มืออันนี้ก็จิตเคลื่อนไปเรียบร้อยแล้วเคลื่อนไปอยู่ที่มือบางคนดูท้องพองยุบเห็นท้องพองเห็นท้องยุบจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตนี้ไปคิดก็คือจิตเคลื่อนไปดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องอันนี้ก็คือจิตเคลื่อนอีกแบบหนึ่งอันหนึ่งเคลื่อนไปคิดอันที่สองเคลื่อนไปเพ่งจ้องนิ่งอยู่ในที่ใดที่หนึ่ง ถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไม่ว่าจะเคลื่อนไปคิดหรือเคลื่อนไปเพ่งจ้องสมาธิชั่วขณะจะเกิดขึ้นเพราะในขณะที่รู้ทันว่าจิตเคลื่อนจิตจะไม่เคลื่อนโดยที่ไม่ได้บังคับไว้ทําไมสมาธิเกิดอัตโนมัติเพราะทันทีที่สติรู้ทันสติไปรู้ทันความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสเมื่อมา เ, เกิดสติขึ้นแล้ว กิเลสดับอัตโนมัติความฟุ้งซ่านดับเมื่อจิตไม่ฟุ้งซ่านก็คือจิตมีสมาธินี่เป็นวิธีฝึกให้เกิดสมาธิที่เราอยากมาใช้งานจริงๆในการเจริญปัญญาที่จริงได้ทั้งสมอย่างก็ดีที่สุดแหละอยากจะพักในอัปปนาก็ได้อยากเจริญปัญญาในอัปปนาก็ได้อยากจะพักในอุปจาระก็ได้เจริญปัญญาในอุปจาระก็ได้เจริญปัญญาในอุปจาระเนี่ย อย่างเช่นมาดูกายพิจารณาไปกายเป็นปฏิภาคเลยนะกายละเบิดให้ดูแตกให้ดูดีกายก็ใหญ่เต็มฟ้าเลยทีย่อลงมาได้เลยเป็นปฏิภาคขึ้นมาเหมือนกันอย่างที่ครูประจารย์ทํากายะเบิดเพราะนี้เป็นข้ามาตรงปฏิภาคเนยทุกวันเราต้องฝึกทกํากมาณฐานอย่างหนึ่งใช้เวลาสัก15นาทีอย่ามากเกิน มากไปเดี๋ยววันหลังขี้เกียจตั้งใจไว้ทุกวันต้องทำสิบนาทีเป็นอย่างน้อยอย่างน้อยนะไม่ใช่อย่างมากอย่างน้อยสิบห้านาทีอย่างมากไม่จากัดนะแต่เริ่มต้นให้น้อยไว้ก่อนอย่าซาบางคนกูเก่งกูเก่งเอาให้เยอะๆตั้งใจวันนี้จะนั่งสามชั่วโมงนั่งนะอดทนมากเลยกัดฟันกรอดสามชั่วโมงมีแต่ความเครียด อีกวันหนึ่งเหลือสองชั่วโมงวันที่สามต้องมัชฌิมาปฏิปทานะเอาชั่วโมงหนึ่งก็พอค่อยๆลดลงเรื่อยๆสุดท้ายเลิกไม่ทำทำน้อยๆนะแล้วมีความสุขมีความสุขแล้วมันจะขยันเพิ่มขึ้นเองอยากจะให้จิตทรงสมาธิอยู่ไม่มีความสุขทรงอยู่ทั้งวันมันก็ยังทรงได้นะมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรแังฝึกให้มันสบายๆแต่ไม่ขี้เกียจ ทุกวันต้องทำอย่างน้อยส5บนาทีไว้พระสวดมนต์นิดหน่อยสองสามนาทีพออย่าสวดจนจบยาวๆหลายชั่วโมงนะไม่จงเป็นสวด น, นิดหน่อยพอคิดถึงพุทธเจ้าสวดมนต์เสร็จแล้วก็ทำกรรมฐานจะพุโทโธจะหายใจจะดูท้องพองยุบจะขยับมือแบบหลวงพ่อเทียนอะไรก็ได้ไม่มีความสำคัญเลยว่ากรรมฐานอะไรกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัด ทำกรรมฐานนั้นก็ไม่ใช่เพื่อให้จิตสงบแต่ทำกรรมฐานเพื่อรู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันเช่นเราดูท้องพองยุบหรือเราดูมือจิตเคลื่อนไปอยู่กับมือไปอยู่ที่ท้องเราก็รู้ทันเวลาเดินจงกรมจิตนี้ไปคิดเราก็รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่เท้าเท้ากระทบพื้นจิตไปอยู่กับเท้าเราก็รู้ทันอีกไม่หัดรู้ไปรู้บ่อยๆตรงที่รู้ว่าจิตเคลื่อนไปนะ สมาธิชั่วขณะก็จะเกิดขึ้นฝึกทุกวันทุกวันนั้นต่อไปมันเกิดเองเกิดได้ถี่ขึ้นถีขึ้นจนกระทจิตตัวรู้เนี่ยทรงตัวทรงตัวอยู่ได้นานนะแต่หลวงพ่อเล่นสมาธิมาแต่เล็กเนี่ยตัวรู้เนี่ยมันเข้มแข็งทรงหลวงปู่สิมเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เพราะว่าจิตเขาทรงตัวเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้หลงหลวงพ่อเรียกพวกเราบ้างหลวงพ่อจะเรียกว่าผู้หลง ไม่ใช่ผู้รู้หรอกลงทุกวันนะ่ะไม่ค่อยเป็นผู้รู้เท่าไหร่นะถ้าเป็นผู้รู้เสียเจริญปัญญาลนะ่ะจิตบันเจ็ดเดือนเจ็ดปีมันต้องได้อะไรบ้างแนละ่ะถ้าจิตมันทรงตัวได้นะสมาธิมันพอสมาธิจะทรงตัวอยู่ได้นะอาศัยสมาธิที่ลักขณะนี่แต่ให้มันบ่อยๆเหนะมือนเราขีดเส้นลองอไปมันคือจุดจุดเล็กๆนี่แหละมาต่อกันยาวๆต่อไปเรื่อยๆก็ยาวขึ้นมาเป็นเส้นขึ้นมา เป็นทรงตัวเป็นเส้นยาวได้ทั้งวันต้องฝึกนะถ้าทําได้แล้วเราก็จะได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานแล้วเราจะใช้จิตชนิดนี้แหละไปเจริญปัญญาถ้าเราไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานเราเจริญปัญญาไม่ได้จริงหรอกคาว่าปัญญาปัญญามีสมลักษณะปัญญาอย่างที่หนึ่งเป็นปัญญาที่เกิดจากการอ่านและการฟัง อย่างเราอ่านคำพีหรือฟังอาจารย์สอนปัญญาจากการอ่านและการฟังเรียกว่าสุด ต, ตะมยายปัญญาปัญญาจากการอ่านการฟังปัญญาอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญาของเรามันเป็นปัญญาของคนอื่นเช่นเราไปฟังไปอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยมันเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าเป็นปัญญาของพระละหันสาวกยุคโน้นไม่ใช่ปัญญาของเราเราแค่จำเอาไว้ พการอ่านและการฟังเนี่ยที่ว่าได้ปัญญาได้ปัญญานะีแท้จริงได้ความจำํำไม่ถึงกับปัญญาตัวจริงหรอกจำไว้ได้มันจําปัญญาของคนอื่นปัญญาอีกอย่างหนึ่งคือปัญญาที่เกิดจากการคิดไตรตรองเรียกว่าจินตามยะปัญญาปัญญาจากการคิดไตรตรองปัญญาจากการคิดเนี่ยแต่ละคนจะมีกรอบของความคิดมันจะคิดซ้ำซาก คิดอยู่ในขอบเขตที่เคยคิดส่วนใหญ่คิดอะไรใหม่ๆไม่เป็นหรอกไม่ค่อยมีงั้นจะคิดนะด้วยข้อมูลเก่าๆคิดเรื่องแบบเก่าๆคิดแล้วก็ได้ผลลัพธ์แบบเก่าๆหาอะไรดีหาอะไรพัฒนานี่ยากมากเลยที่จะคิดขึ้นมาปัญญาจากการคิดมันไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงมันคือความคิดถ้าเราไปอ่านไปฟังธรรมะเราได้ความจําถ้าเราคิดไตรตรองเอาเราได้ความคิด ปัญญาที่แท้จริงเกิดจากการเข้าไปเห็นเกิดจากการเห็นเข้าไปประจักษ์เข้าไปรู้ไปเห็นเห็นอะไรเห็นความจริงของร่างกายเห็นความจริงของจิตใจอย่างนี้ถึงเป็นปัญญาที่แท้จริงถ้าเห็นความจริงของกายของใจเนี่ยไม่ใช่ปัญญาธรรมดาเป็นวิปัสนาปัญญาถ้าเห็นมากเข้ามากเข้าเพราะจิตเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงแล้วว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา พราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเมื่อจิตคลายความยึดถือจิตก็หลุดพน้นตรงที่จิตไม่ยึดถือจิตคลายความยึดถือนนั้จะสิ้นความอยากไปแล้วจิตก็หลุดพน้นพ้นจากอะไรพ้นจากกองทุก น, นั่นเองงั้นเราจะมาฝึกนะให้เห็นความเป็นจริงของกายของใจแต่เราจะต้องใช้จิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องรู้เนื ร, นรู้ตัว กันบทเรียนที่หนึ่งไปฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่แค่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตของคนในโลกของสัตว์ทั้งหลายเป็นจิตที่หลงอยู่ในโลกของความคิดไม่ใช่จิตของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิธีที่จิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดได้รู้ทันจิตที่เคลื่อนนี่แหละไม่งั้นมันจะเคลื่อนเข้าไปอยู่ในโลกของความคิด งั้ฝึกทุกวันจิตเคลื่อนไปเรารู้เคลื่อนไปเรารู้จิตที่หลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงเมื่อจิตมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงเราถึงจะเห็นความจริงของกายของใจได้งั้นการที่เราจะต้องมาปรับจิตใจของเรานะต้องมาฝึกจิตไหลไปเรารู้ไหลไปเรารู้เป็นเรื่องใหญ่นะเรื่อสําคัญเป็นพื้นฐานที่เราจะเดินปัญญาต่อไป ถ้าจิตเราไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บวบานแต่จิตเราเป็นแค่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่ไม่สามารถเจริญปัญญาได้จิตผู้คิดมันก็ทำหน้าที่คิดไปจะเผยเผยผู้รู้ได้อย่างไรกต้องมาฝึกนะฝึกวันนี้เทสเท่านี้พอส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อนกระผมก็เห็นจิต ท, ที่เคลื่อนออกไปอะครับ ก็ดึงกลับมาได้ไวโอ้ยอย่าดึงห้ามดึงนะให้รู้ว่าเคลื่อนไม่ดึงตรงที่รู้ว่าเคลื่อนถ้าสติจริงเกิด น, นะมันตั้งขึ้นแล้วนะถ้าเราไปดึงมันจะแน่นนะอถ้าภาวนาแล้วแน่นๆในหน้าอกเนี่ยแสดงว่าวบังคับไว้ไปดึงอย่าดึงนะครับให้ไหลเรารู้ไหลเรารู้ไหลได้ไม่ใช่ห้ามไหลนะครับ รับกันบ้านหลวงพ่อไปดูลมก็ดีครับหลวงพ่อจิตใจมันตั้งมั่นขึ้นแล้วก็เพิ่งเคยเห็นชัดๆะครับว่าจิตที่มันเป็นสมาธิแบบเพ่งกับแบบรู้ขึ้นมาครับเออ <มา S 2> นะต้องฝึกนะฝึกให้ชำ น, นิชำ น, น, นันอ่ะส่งขันบ้านอานมันสการค่ะคะ่ะวันนี้กลับบ้านแล้วคะ่ะโยมมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเอจจะมาบอกว่าจะกลับบ้านมีสตินะ นีสติไปเรืยจิตใจเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้นะโมโหขึ้นมาก็รู้หงุดหงิดก็รู้หัดรู้ความรู้สึกไปนะไปฝึกบ่อยๆนวัสการค่ ะ, คคะยมรู้สึกว่าโยมเห็นว่าตัวเองหนีโลกอะค่ะเออแล้วเห็นไหมตัวไหนร้ายมากร้ายทุกตัวโอ้มันร้ายจริงนะร้า <laughs> ด, ดีมากไอ้ที่หนีโลกอะ่ะหลวงพ่ออัน มันหนีทุกมันหนีไปด้วยโทสะงั้นให้เรารู้จิตที่มีโทสะจิตที่มันท้อแท้นั่นแหละที่หลวงพ่อบอกมันท้อแท้มันเอือมระอาอย่างเงี้ยมันมีโทสะนั่นแหละพอเรารู้อย่างนี้นะรู้ทันจิตที่มีโทสะเขาไปตรงๆมันไม่หนีโลกแล้วเพราะมันหนีไปด้วยกิเลสมันไม่ได้หนีด้วยปัญญา คือโยมเห็นสองครั้งที่มันหนีโรคอ่ะครั้งแรกดูไม่ทันเลยอีกครั้งหนึ่งเน่ยเห็นเลยว่ามันวิ่งหนีผักประตูวิ่งเข้าไปเลยเ<อ>ก็เลยตอนแรกอ่ะใจมันรับไม่ได้เลย อ, อ, อ่ะหลวงพ่อโยมถามคําถามหนึ่งแล้วกันว่าตอนเนี้ยถ้าหากว่าเห็นอย่างเนี้ยมันก็จะเบาลงแล้วก็มันจะดีขึ้นนะจะอยู่กับโลกได้บ้างใช่นักปฏิบัติไม่ปฏิเสธโลกนะพระเจ้าอย่างสอนให้เราดูโลกเลยพิสูจทั้งหลายเธอจงดูโลก มันวิจิตดุดราชรสทรงของพระราชาคนโง่ไปติดอยู่ผู้รู้เข้าไปรู้ไปเห็นก็ไม่ติดกับมันงั้นนักปฏิบัติไม่มนีโลกนะไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งที่แวดล้อมอยู่ถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่ามีโทสะแล้วเราก็จะเห็นว่ามันก็วิ่งไปเกาะอนันนู้นหนีอันนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จ ะ, ะเวี่ยงไปเวียงมาน้อยลงด้วยใช่ไมยอย่าไปอยากให้มันไม่เวียงเห็นไมว่าใจมันอยาก อยากดีดูออกเป้าอยากดีก็ทุกแหละกลับนมัด ก, การหลวงพ่อค่ ะ, ะประจําปีนี้นะคะหลงเยอะอืแล้วก็หลงกันเป็นปีชฉลี่ยรอ <c oughs> รวมๆอะค่ะรวมๆนะปีละครั้งค่ะได้มาส่งการบ้านหลวงพ่อออแล้วก็อัตราตัวต้นสูงดีที่เห็นเมื่อก่อนมันก็สูงแต่ไม่เห็นนะแต่นี้ เ, เห็นล้มันจะน่ารักขึ้นนะ ลคนเซลลจากน่าเกลียดหรอจริงค่ะนะหน้าหน้าอย่าแยงหลวงพ่อคะดูดูกายที่เป็นทุกข์ได้ไหมคะดูได้แต่ใจต้องเป็นกลางถ้าเห็นร่างกายเป็นทุกข์นะแล้วใจเกลียดมันอย่างนี้ไม่ดีปกติเห็นกายเป็นทุกข์ใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบอย่างนี้ดีปกติเยจะเห็นกายมันทุกข์เยอะมากดี แล้วแล้วเราจะดูให้มันเกิดปัญญาได้ไหมคะต้องดูด้วยใจที่เป็นกลางจำไว้นะเ <ฮะ S 2> มื่อเรารู้ความทุกข์แล้วหรือรู้อะไรก็ตามอะจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันนะจิตจะเป็นกลางของมันเองเ <ฮะ S 2> มื่อจิตเป็นกลางของมันเองแล้วเนี่ยเราถึงเจริญปัญญาได้จริงแล้วเห็นไอ้ตัวทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเร า, า <ฮะ S 2> มาเองไปเองอย่างนี้เราก็จะพ้นจากมันได้ <ฮะ S 2> อ, อยู่ที่เป็นกลางเป็นกลางนะคะอแต่ห้ามไปทําให้เป็นกลาง ให้รู้ทันว่าไม่เป็นกลางให้รู้ทันว่ายินดีให้รู้ทันว่ายินร้าย <Okay. S 1> แล้วมันเป็นกลางเอง <Okay. S 1> ไม่งั้นมันจะโทสะขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมมันจะปีติอยู่เรื่อยๆใช่ค่ะเขาถามสงัลหาปัญหาข้อที่หนึ่งคือเขาถามว่าก่อนเขามาเรียนจากเลวของหลวงพ่อก่อนเขาภาวนายังมีปิติแต่นั้นจะ ภาวนาแล้วชว่วงนี้จะไม่ไม่ค่อยเห็นความสุขเหมือนเท่าก่อนครับความสุขนะมันเป็นตอนต้นๆเท่า น, นั้นแหละเวลาเราหัดใหม่ๆเนี่ยจิตจะมีความสุขผุดขึ้นมาเป็นระยะๆเพราะแต่เดิมจิตเราไม่มีสมาธิจิตเรารู้ตัวรู้ตื่นเบิกบานนะั้มีความสุขผุดขึ้นมาแต่พอเราเจริญปัญญาเนี่ยมันจะเห็นในร่างกายจิตใจนี่มีแต่ของที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราในขั้นเจริญปัญญานนะั้ไม่ค่อยมีความสุขผุดขึ้นมาแต่มันจะไปเห็นตัวทุกข์แทนนะการที่มีความสุขนะั้นเป็นแค่ภาพหลงตาเทะนะ่านั้นไม่ใช่ของจริงหรอกความสุขนั้นหลอกๆขึ้นมาแต่ความทุกข์นี่มันมีอยู่ต่อหน้าต่อตาเพราะนั้นยิ่งยิ่งภาวนายิ่งเห็นทุกข์นะแต่ยิ่งเห็นทุกข์นี่จิตจะคลายความยึดถือออกจิตจะยิ่งมีความสุขมากขึ้นแต่มันสุขคนละแบบกับปิติมันเป็นความสุขที่สงบประนี ข้อสองว่าไงคนที่สองเขาถามว่าคือเขาจะมีความกลัวแต่ความกลัวของเขาเหมือนจะผิดปกติไม่เหมือนจะเหมือนเขาคิดว่าความกลัวของเขาเป็นโรคอย่างหนึ่งครับคือเขาเหมือนความกลัวเขาไม่ไม่เหมือนไม่ใช่เป็นความปกติเขาอยากถามว่าเวลาความกลัวกเกิดข<อ>ึ้นเขาควรทำปฏิปัติยังไงครับไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะให้รู้ทันจิต เช่นความกลัวเกิดขึ้นร Allison, Honestly, ู้ว่าจิตกลัวไม่อยากจะให้กลัวรู้ว่าไม่อยากรู้ทันจิตของตัวเองเข้าไปนี่อย่างความสุขเกิดขึ้นรู้ว่ามีความสุขชอบอยากให้อยู่นานๆรู้ว่าชอบเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นรู้ว่ามีความทุกข์ไม่ชอบที่จะมีความทุกข์รู้ว่าไม่ชอบใช้หลักเดียวกันหมดเลยมีความกลัวเกิดขึ้นรู้ว่ามีความกลัวไม่ชอบความกลัวนี้รู้ว่าไม่ชอบ จจะเข้าสู่ความเป็นกลางแล้วก็พ้นจากความกลัวไปนำ้ำรสการหลวงพ่อครับผมปฏิบัติโดยฟังซีดีของหลวงพ่อนะครับ ม, มาหลายปีครับท่อกลางคืนก็เปิดตลอดอจนหลับก็หลับไปแล้วก็ตื่นมาก็ฟังต่ อ, อ, อ, อจะขอรายงานผลการปฏิบัตินะครับ อ, อ, อย่าง ผมจะใช้วิธีการดูรูปตัวเองที่ที่ยืนเดินนั่งนอนครับ อ, อย่างเมื่อกี้ตอนที่โยมเขาเข้ามานั่งแก ะ, อะของที่ชะถวายพระนะครับมผมก็นั่งดูรูปตัวเองแล้วก็จะเห็นจิตตัวเองวิ่งไปวิ่งไปที่โยมก็กำงแกะและเขาวิ่งกลับมาดีอย่างนี้ถือว่าปฏิบัติถูกไปครับถูกในในบางครั้งที่ที่ปฏิบัติอย่างกลับมาจากทานอาหารนี่ ผมใช้วิธีเดินจงกรมเมื่อกี้จิตเนี่ยเขาจะรู้สึกเบาสบายหเหมือนกับจะมีมีปิติเล็กๆออย่างอย่างนี้ถูกไหมครับถูกมีปิติแล้วเรารู้ว่ามีปิติถูกนะครับแต่แต่บางปิติแล้วไม่รู้ไม่ถูกอ่ะอ๋อครับแต่บางครั้งนี้บางบางครั้งตัวปิติเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมาเองเหมือนกับมันมันรู้สึกเหมือนกับ เ, เกิดขึ้นมาตรงตรงที่จิตแล้วเขาก็ค่อย สดชื่นขึ้นสดชื่นขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นกว้างขึ้นอย่างนี้ เ, เป็นเป็นเป็นปิติหรือว่าเป็นสมาธิอะครับเป็นปิตินะเกิดจากสมาธินะครับมีปิติเพราะว่ากําลังของสมาธิครับถ้าจิตมันท่งตัวทรงสมาธิอยู่มากนะมีแต่ความสุขความสบายมีแต่ปิติอะไรเนี้ยให้พิจารณากายนะมาดูกายมากๆเลยเพราะกายเนี้ยไม่ได้มีความสุขกายเป็นตัวทุกข์ครับ เพ้นถ้าจิตติดสมาธิมีแต่ความสุขเยอะๆนะมาดูกายเลยมันถึงจะเดินปัญญาต่อมั น, มนดูจิตยากอ๋อดูดูกายนี่อย่างถูกต้ว่าผมผมก่อนนอนนอนเนี่ยนะครับผมจะนอนดูกายดูดูไปดูไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะว่ า, าผมยังตื่นอยู่แต่พอมาดูกายไปว่าผมผมเริ่มกล่นแล้วครับเออได้อย่างนั้นอ่ะผมเป็นตัวเองคล่นฮะเอออย่างนั้นดีครับรู้สึกแม้กายกับจิตเนี่ยคนละอันกัน รู้สึกว่ามันแยกออกส่วนออกจากกันนั่นแหละแยกขันได้นะครับอย่างนั้นใช้ได้นะครับแล้วตื่นขึ้นมาก็เห็นน่ะมันไม่ใช่ว่าต้องนอนกลธแล้วเห็นอย่างเดียวนี่ยไหมมันยืนเดินนั่งนอนก็เห็นได้ครับนะดูไปเรื่อยนะแล้วถ้ามันไปดูกายอยู่เฉยๆนะมันไม่ยอมดูไตรลักษ์อ่ะคิดเรื่องไตรลักษ์เลยครับคิดพิจารณ์กายว่าเป็นไตรลักษ์เนี่ยไม่ง้มันจะไปรู้กายแล้วนิ่งเฉยอยู่ถ้าอย่างนั้นจะไม่เดินปัญญาออกครับ น, นรับนันส ก, การหลวงพ่อครับ น, นรสัส ก, การหลวงพ่อครับผมอยากถามหลวงพ่อว่าผมนั่งสมาธิได้ทุกที่ครับหลวงพ่อได้อะไรนะนั่งสมาธิได้ทุกที่ครับไม่ว่าเสียงดังไม่ว่าอะไ ร, ะไรั่งเ<ม>นื้อซี ด, ดีนั่งสมาธิได้แต่ตอนเงียบๆก็ไม่เก่งสิแล้วไงล่ะแล้วก็นั่งไปก็เห็นกระสินนะครับแต่เขาพูดได้เขาบอกกระแสนี้เป็นกระแสบริสุทธิ์หมายความว่าไงครับหาอย่าไปเชื่อมัน Oh. ไม่เชื่อมันนะให้รู้ทันว่าใจฟุง้งซ่านรู้จักเจ้าคุณนอไหมรู้จักครับเออเจ้าคุณนอบอกของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้ไม่ใช่ของจริงไม่เชื่อมันนะ oh. ให้เรารู้ทันใจของเราไปเรื่อยบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เราก็รู้เอาของเราเองนะแล้วจเจริญนี้ปัช น, นาไปเรื่อยแล้วอยู่ดีก็ม่คล้ายว่าจิตมันจะตัดเองครับเราคิดอะไรเข้ามาแล้วตัดเองครับตัดแล้วก็เกิดขึ้นใหม่ตัดแล้วกเกิดขึ้นใหม่เป็นพ่อ อ, อะไรครับ นั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละเราจะเห็นนะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะแต่อย่าให้ใจฟุ้งซ่านนะให้รู้สบายๆรู้ไปอย่างสบายๆอย่าให้ใจไปฟุ้งในธรรมะอ่ะคนจีนต่อมเลยอีกคนหนึ่งเขาอยากจะเขาอยากจะถามว่าเมื่อกี้หลวงพ่อ พูดถึงเวลาจิตไหลไปหยัดดึงออกดึงกลับมาเขาถามว่าถ้าสมมติว่าไม่เดินจิตมาใจจะไหลไปไกลๆครับถ้าดึงมาดึงแรงๆนละ้วมันจะอึดอัดอย่าไปฝึกจนมันอึดอัดแค่รู้ทันว่ามันไหลนะแล้วเราก็กลับมาอยู่กับลมหายใจใหม่ไม่ต้องไปดึงจิตนะแต่กลับมารู้ที่ลมหายใจแทนเแี่ยจิตไหลไปเราไปดึงคืนแต่เราหายใจเอาใหม่ไม่ต้องไปดึงจิตคืนมา ถ้าดึงจิตคือมันจะแน่นเนะข้าใจไหมเอาหมดแล้วล่ะเชิญกลับบ้าน